ตันสาธุชนพุธบริษัททั้งหลายและบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนดับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบประการโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ สีลานุสติกรรมฐานสำหรับศีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระพิจิต ม, มานบรมาัาสัตสันดาสัมม า, स, าสนะนะัมพุทธเจ้าทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คําว่าศีลานุสติอนุสตินี้มาประตามตามนึกถึงศีล ในการเจริญศีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวศีหลังสีหลังสีลั ง, ลงถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลาย ตั้งใจใคร่ครวนอยู่เสมอถึงเรื่องของศีลให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วก็ศีลก็เรามีกี่สิขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับครวาสศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการสมณี มีศีลสิบระการแล้วก็ต้องมีเซคยวัตอีเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสำหรับพิสุก็มีสิขาบทสองอยี่สิบเจ็ดเป็นอนุสิณ์แต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองสมเด็จพระ ส, สุนทรสติตโสภาคให้ใช้จิต ก, กำหนดอยู่เสมอ ว่าสีข่ขาบทใดสีข่ขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่มวหมองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถ้าว่าทั้งเรื่องพิสูจ์สมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนัก ที่ผู้ที่วันหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิขาบทมากด้วยกันแต่ตัวว่าวันนี้ก็จะขอแนะนําเฉพาะครวาต ว, วาิสัยว่าพิสุทธสมณีนั้นมีกิจที่จะต้องทําอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าครวาตวิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะไข่ควรพบสพบทวนถึงที่ขาบทที่ตนจะพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสี น, นี่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์โสภาคทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนักถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบระมโลเกเชสทรงตัดว่าถ้าเรามีพรพมิหารสี่ครบพุน เมื่อมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศินอะไรทั้งหมดมันก็ดีเป็นหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกําลังใจไว้เสมอเมื่อมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกําลังใจแล้วถ้าสติสมัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอ้อเหมือนกัน ท่นศีลที่จะชงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึกปัญญาก็ควบคุมไอ้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ย มันถูกต้องตามสิกขาบทที่องค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีลเกลงกลัวผลของความชั่วที่จะ ที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกข้อองสมเด็จตระทีบแก้วทุกท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรห ม, มีหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีหิลิโอตปะล้วก็แถมเจ็ด อ, อหก แล้วหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกกนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตตามีจิตออนโยนไม่ชา้าทิ่เสียใคร โอเมข้าวางเฉยเมกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่เข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สติเนกไว้ว่าสิ่งทีเรามีกี่สิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกคร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาวะศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรามีประโยชน์เพียงใดเดี๋ย ไ, รรไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิริลาโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทําลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่ยบรากรึขึ้นมนได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สัดาห์สัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธมรษสทันงหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิลครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงโบสถศีนสินสิทธ ถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระบริสูทธทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดขึ้ประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสินนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสีข่ขาบท227จะไม่พูดถึงสีข่ขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทปลายก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทหจะพูดเพราะว่าสีข่ขาบทหนี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าร่มอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะค่มจิตว่ามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่ จ, จะเอาสติสัมปัญญะควบคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจารณาตามกระแสประเสริฐธรรมเทศนาท้งเรื่องศีล แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมปัญญามีเฮลิโลตปะมีศรัทธาหมดสินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วใจผลเนื่องจกการทำลายสินนี่ในเมื่อสามารถเราทรงสินได้ดีโดยเฉพาะสินห้า ความจริงเขาของไม่ยากนะปานาติบาพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจาร่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขก็เพราะใเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาพระโกนานี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินของคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้ เมื่อเรารักเขาเราสงสายเขายอมรับและถือในทรัพย์สินของเขาเพรเขาหามาได้ยากเราไม่ทําเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสําหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความเราสง์จะยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกำลังใจของเราบ้าง ว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขามาใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดะนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักมาอยากมาอยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทําเสีย มีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากขาเขาก็มีความสุขไม่แต่เราในความสามัคคีสาหรับในด้านวาจานี้ที่องค์สมเด็ดจพระจินวสีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุยแยงแด่แกลแซะบอกคนอื่นนี่ก็แตกก้าวกัน ไม่พูดวาจาสําราดให้เป็นที่ระคายเคือง ใ, ใจเขาบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่ บ, บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข เพราะต่างคนต่างรักการความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบร ม, มโลกนาตทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามโุติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มกัไม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพืงรักษาได้จะพาะสีขาบท่าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศา ส, สันดากล่าวว่าเป็นปั จ, จัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการะระวัตระวังป้องกันอันตรายทย่เพิ่งเกิดกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สิสนและทรัพย์ ส, บสมบัติที่พึงหายแล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักสิ่งกันแใดกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังพากฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจิตเราก็มีความสุข นี่เป็นอนวุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นําเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทตันหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมนี่การที่เฉเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งต้องแตลืมตาขึ้นมาจึงกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีข่ขาบดใคลคนสีข่ขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอนทําลายศศษเด็ดขาดถ้าบังเอิญมันพลัง้งมันพลาดไปบ้างก็เ อ, เอาสติสัมปญญะเข้าควบคุมไว ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมใจเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าตาคืนละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรืงศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับทรงใจไปวันละเล็กวนน้อยมันก็มีการบุกร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพื่อเป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไรกำลังใจในการรักษาศีลก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงข้อหน้าของเรานี้ก็มีมากนะสำหรับครวัตสำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีครวัตในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าวรรสุที่มีเยอะ ในการเคารพในพระไตรศรรนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรศนาคมก็มีศินไม่ได้คนที่จะมีศินบริสุทธิ์ได้เขาก็จิตใจเคารพในไตรศนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์มีความจริงในกรรมฐ า, านสี่สิบนี่เราศึกษากันมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นศระัะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี่แต่ ห, หากว่าท่านหลายทรงศีลด้วยกำลังใจบริสุทธ มีจิตใจเป็นเอกคตารมในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญอย่าเพาะคารวัดนะจะเ พ, า ะ, า, นะเพาะมีสุธรมเเนยียมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจละเมิดจิงจ ะ, ะจิงจะเข้าถึงการบกพร่องไม่ียกว่าศีลจะบกพร่อง บาสิขาหมดนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทัศจิตตะกะเจือด้วยจิตคือตั้งใจและอจิตตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีมีทศชาวว่าสินของท่านครบท้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบนนูรณ์นี่สังเกต ง, ง่ายนะเขามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข็งดีไม่แข็งเด่นมีแต่ ก, การเกื้อกูลดูตัวอย่างท่นนาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีของคนอื่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดาบัน เพราะว่าในที่ในบัม า, าลีกล่าวว่าพระโสดาเกับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจา้าเรามีความเคารพในประธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล ฉันนั้นขอบัรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแตสินเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว่าศีลห้าบราการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทําอย่างมดไม่เดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดไม่เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อดเก้าใจเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอืน้น ถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดและยุงมันมาเกาะ ก, า, กายหวังจะลูบไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงศินบริสุทธิ์แล้วก็มีศาสนาคมครับอย่างนี้เรียกว่าปรสสุดาบันนี่เราพู่กันในด้านปฏิบัติ เนี่สำหรับถ้าเราจเจริญสีรานุสติกรรมาฐานมั่นคงอย่างนี้ว่าเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกรรมาฐานนี่กับไตรรั น, นาคมทั้งสามราการทําให้เป็นวิปัสนาญาณได้ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสรรุทธิ์จะเขารับแป็นพระเจ้าก็เพรานึกถึงความตายเป็นสำคัญเราคิดว่าตายใจาชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสำหรับพระโสดาบันเี่กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากกษธาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลในศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะใส่พรมีหารศีแต่คนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจเจริญพรมีหันศีเรื่อ <c oughs> งนี้เพราะอะไรเรื่งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีเพราการมีพรมีหารศีมีแต่การเกื้ อ, อคุณ ไม่ช้าไม่ยื้แยงไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่เตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีรานุสติกรรมธายครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติในอนุสติสามรการครบถ้วนือุทธานุสติธรรมนานุสติสังคานุสติ ตามนึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าตามนึกึงความดีคงศีลสิขาบทตรคงศีลเมื่อมีอารมณ์คงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอารามจะทํำยังไงตอนนี้กําลังใจหยียบย่างเข้ามาสู่โลกุตระจิตเอจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยาก ถ้าอยากเป็นต้องการเปลรหัรก็กำลังใจมันเข้าเขตปนิพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจา้าทรงสอนมหาคติปรธานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้ท้วเวทนายก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดการลมของใจเราก็ไม่ว่าเพียงเทอศักว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของบคนอื่นที่เรีว่ากายภายในกือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นให้บอกว่าจงยายึดถือร่างกายของเราด้วยจงยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกที้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับสนทรคมงสุนทคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองสมเด็จพระบรมสุตสรงเป็นอัชาริยามนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะสรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ต้องทิ้งรีวิร่างของพระองค์ ฉ่นั้นในเมื่อองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งศรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายเขาของคลอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนําทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถาาว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุบคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีก อย่างเดอที่ทรงแตดำกรกีสาโคตมีว่ามัจุราช จ, จงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่ายภุมเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาทพรพุทธบริสัทนไหลายคุงมกำลังใจอย่างนี้ที่วาัาภาพร่างกายนี้มันไม่มันจะพังเขาเชิญร่างกายของบุคคลอื่นจะตายเ้าช่างไประไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินเงื่อหลายเ่านี้มันจะไปไหนก็ช่างว่ามัน ไม่มีความสาคัญสำหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชือสายของความทุกข์ไม่เป็นไ ม, ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเย็เนยงทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงปฏิหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตดิณสีมันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่เสอนใจเรามีความสุขใจ ถาวางชิ้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอารหัตผลเป็นพระอธิยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่วนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดา่พุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี